อาหารอะไรอ๋อกรรมาเที่ยว ก, ก่อนนี่เข้ากันได้เลยว่างั้นเถอะนะมีพริกหอยหนึ่งสอง ห, อหงล่ปาอะไรท่านนี่น้ยนอยจกงนามะา อ, อ, อะไรแกงผักแกงอะไรกันออกกินเลยไม่กังวลอะไรดูแลทั้งไม่มีกังวนกับฝีนี่ยิ่งกว่าเรื่องของถัง ท่าน เ, าเพื่อให้หมู่เพื่อนได้ดำเนินด้วยความสะดวกทางด้านติดใจคนขนาดท่านจันทร์้านเป็นคนง่งมากผมจะในกราบสนิทที่นอกจากเพื่อความสะดวกสบายในระหว่างการกิจท่านแล้วถ้ายังเพื่อความสะดวกในการนาเป็นของหมู่เพื่อนเพราะทําไปอยู่ที่ไหนหมู่เพื่อนก็ต้องไปเกาะท่านหนึ่งคือข้าเงเครื่หมาเหมือนกันนะ มไปยามสืบสอบเรื่องราวทุกันกว่าจะลงมาเขียนหนึ่งตั้ไม่กี่ปีก็พอรู้ในน้องเพื่อเหมือนกันกาพาต่างบางทีทั้งสี่สิบกว่าก็มในวันอาหารก็พอนัไปนั้ น, น, นแต่ก็ไม่เห็นอะไรที่ใครจะเป็นกังวลอาหารกับอาหารพกป่าอาหารพวกพืชไทยอก็มีแล้วกไม่ พอยังชีวิ ต, ต, ต, ตมันเป็นไปมันไปมันมือนมันเหมนไม่มีอะไรที่เหลือเฟือสมบูรณ์ดินน้ำตำนานเพราะอาหารการภาวนามันดีนั่นแหะปฏิบัติทางคุวาการผู้เจริญโดยอาจไปทำท่านเจริญด้วยอย่างไรท่านไม่เจริญด้วยจริงตอนนี้นี่เมื่อเรามาเทียบดูนี่ มันผิดกันคนในโลกเลยงานรวมกวามาถวายมีน้ำทั้งอาหารทั้งบัตรเขาาก็จะก็ทํามาอีกเป็นการเป็นกองเหลือเฟือมันโอดสะดุดตาสะดุดใจไม่ได้มันไม่ชินมันสะดุดอยู่เรื่อยดูผลเนี่ยไม่ต้องดูมากอันนี้มันก็บอกแล้วก็บ่งบอกนะไม่ต้องอะไร ปัจจัยก็ามาถวายเราท่ า, าทางอื่นก็เป็นประโยชนเหมือนกันเราไม่ได้ท่าทางความเสียหายเป็นอะไรไปเขาว่าให้ทำอ า, อาหารมาถวายเป็นพัตนาหารอย่นี้เราทําเป็นทางอื่นก็ได้นี่ที่จะเป็นประโยชน์เพราะเราไม่มีเจตนาที่จะหักล้างอะไรเขาเนี่ยมีเจตนาที่จะให้เป็นประโยชน์สมกับเจตนาเขามุ่งประโยชน์กับพระของเราที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดี แล้วเราจะทํายังไงมันจะได้ผลเป็นตามเจตนาของเขาตามเจตนาของเรานแล้วก็ต้องคิดอีก อ, นนอดอยากทุกทีเถอะอุปบูตบัดมันจะได้เห็นคุณค่าของการพทอนผมมันเคยมาไม่ใช่คุยมันก็มาเลือบเอกตอนนี้นะตอนพู้คนนาะเกี่ยวข้องน้องนะพรก็จะเลือบเปลืออะไร แล้วก็ไม่ได้เป็นกังวลกับอะไรมาเป็นนิสัยอีกด้วยมันจะเป็นน้ำบวมมาแล้วมันเป็นนิสัยยิ่งออกปฏิบัติเรื่อง้นมันก็ยิ่งหาอย่างนั้นอีกด้วยมันหาที่หลบที่ซ่อนที่สะดวกสบายการภาวนามาเที่ยวมาเทียงจินก็เข้ากระเปล่ากินข้านอนกันมีข้าวป่าก็ไม่พอเอาไปหาที่เช่นนั้นนี่นะถ้ามันไม่มีแล้วไปหาที่เช่นนั้นเมื่อไปเจอเข้าแล้วจะวางเนี่ยก็ไปหาเนี่ย มันก็เจอที่เที่ยวหยาไปหาเที่ยวหยามันก็ต้องออยากแต่กิตใจไม่เป็นฉะนั้นที่นนท ห, าาหนึ่งมันชะงาผ่าเผยนั่งภาวนาก็มันหัวต่อแน่วถ้าสงบมันก็แน่วถ้าจะออกพิจารณาี็มันกับคร่อ ง, องตัวนี่แล้วอาหารน้องหน้าเข้ามากินนะแล้วองงอเอาละความงงเหงาห้องนอนอืดอาดเมินนายมันมาพร้อมกันมันเทียบกันอยู่อย่างนั้นตลอดผู้ปฏิบัติธรรมไม่เทียบนีย่ยเทียบผลเทียบส่วนหยาส่วนละเอียด เทียบโลกเทียบธรรมกันจะเอาอะไรมาว่าพิจารณาว่าภาวนานะนีมในฐานะผมนําหมูเพื่อนไม่ได้นํ า, นเน า, นาเพื่อความนุ่มจุ่หมูเพื่อนมาก็มาเน้มาเพื่อความนุ่ตรงมมหาอาาถธรรมยังไงมันเป็นเลยังไงมันขัดข้องอะไรลองมาพิจารณแล้วก็ไม่มีความเสดดียดสีอะไรพอจะรู้ไหอาหารอะไรถูกกับใครกับใคร แล้วมาใช้เป็นผู้จะไปชี้แจงคนนี้ให้เอาอันนี้อันนั้นให้เอาอันนั้นอย่นั้นเนี่ซึ่งเป็นเรื่องผิดทุกจี้จุกจิกเวลามีมาแล้วเอลิ้นปากก็ต้องออกหน้าเป็นธรรมดาเอาริ้ในปากของนอกหน้าเห็นอะไรมันก็อาาร่อยทั้งหมดนี่ยเรื่องของอย่างนั้ น, นมันเป็นมันเป็นนิสัยของกิดของกิเลสมันแล้วอันนี้ยมันก็ห้ามไม่อยู่ที่ฟ้าสะทอ้อน เบวยว่าไงพอตื่นเช้าเฮ้ยใครจันอะไรวะเมื่อคืนนี้ถ่ายวะไอเราเนี่ยตัวกามัน้ยใครถ่ายเมื่อคืนนี้ใครถ่ายก็ไม่ถ่ายร้ายมันฟาดไปเต็มแปะมันจะไม่ถ่ายเลยก้อนมีมากเพาะฟาดไปเต็มตี่นักสู้อยู่แล้วดิถ้าเป็นอย่างนี้มันเป็นนักสู้ถ้าเป็นเรื่องกิเลนแล้วนักหลบสู้ทํากิเลนแล้วเป็นนักหลบไม่ใช่นักสู้ ว่าไที่อยากไม่เกีอืวไม่ลืมนะผมที่ดัดแต่ของที่ได้หาี่ดีๆจิตมันขยับขยับเออมันขยับเลยวล่าอหมดเลยกินกระกรอเปล่ภาษาทางพูดเนี้ยพูดสนุกเย็ดแบบนี้่างเย็ดคำว่าเย็แม่หรือมันหมายถึงว่าเย็ดพ่อเย็ดแม่อย่างเขาใช่กันนะมเย็ดอันนี้เป็นเย็ดคำหนึ่งปาญหาที่ภาษาภาษาอีสานพูดเย็ดแม่เนี่ยเย็ดพ่อเน่ยว่าไปเงา นันไม่ได้หมายถึงเป็นภาษาหนึ่งที่แช่กันสนุกสนุกได้ทั้งกินทั้งเล่ น, นดัดนื้คุณปไม่ได้หมายถึงต้มยัดต้มยัดอย่างลวกๆของที่เขาแช่กันทำภาคกลางอันภาษานี้มันผิดกันเจตนาตลอดอเจตนาเป็ น, นเรืงสำคัญถึงคำพูดจะเหมือนกันก็ตามเจตนาที่เขาแช่เป็นความเคยกินเขาไม่ได้แช่แช่มุมไปอย่างนั้น เพราะมันเวลาเห็นปักเห็นยาเห็นยังที่เคยเห็นมันทําให้คิดย้อนหลังย้อนหลังอี่แปลกเลยนะมันแทนที่มันจะหลือมันนั้นมันกลับไปเห็นคุณค่าของเช่นอย่างยอดคเขาภาษาภาษาอีสานว่าไ้น่ะไฮยอดไ้อะไรไ้นกเข้าน่ะหัวนกเข้านั่ะวิธีการป่าทํำภูเขา เวลามันขาดใบมันออกมาอ่อนโอ้ยเอามากินกับน้ำพริกน้ำแห็มันทำมามันงอร่อยอร่อยก็อร่อยีอออยมัน ม, มีอะไรจะกินนอ้องไม้สำคัญหน้าหน่อไม้กินไปหน่อมน้ผึยโอยหน่อไล่นั้นเนะท่าแขนเกือบเท่าเท่าแขนมั่วภูวเขามีแต่น่อหน่อไมไล่นะั่ ผักเป็นหญ้าตามภูเขาเห็นพอเห็นผักเช่นอย่งที่ว่าอะไรครักผักบุรุโหระพาละาเอลินนะมันอยู่ตามภูดตามเขาอยู่ตามน้คตามนําจุงแล้วเคยกินมันสะโพมันเห็นนี้มันย้อนย้อนเลยแทนที่มันจะลืมไปมันลืมเนื้อลืมตัวมันกลับย้อนหลังเห็นคุณค่าของสิงนอย่านี้ไม่ลืมฝังใจฝังใจนี่พอเราได้ ความสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างทั้งด้านสมาธิด้านปัญญาเพราะอาหารประเภทเหล่านี้เหล่านี้เหล่านี้อย่างนั้นเหมือนเราก็ไม่ประมาทตัวสัมผัดมันมันนะนี้มันไม่ดีไม่ดีมันก็ไม่ประมาทแต่เราไปอยู่นั่นมันไม่ได้กินนี้่สาระเจนนี้มันก็ขัดกันอยู่กับภาวนานเลนขพอนาำน้ำฟันนี้ลงไปเลที่ความง่วงมันเป็นอย่างันก็รู้งันการปฏิบัติจริงต้องในดักรทำท่าถันก็ด้วยไม่งั้นไม่ได้ อดๆอิๆอ่มเฉียมถแล้วกลิก็ดีดดีดดีดึ้นมาเลยผมยังเป็นสาย อ, อยู่นู่มันคองผมึงเสียมาทั้งเั็นู่นนะยังได้เตือนหมวกด้่ยเกี่ยวเรื่องกานุณานพเราอดแบบตะบันเบนไม่ได้คำนึงว่า ธาตขันเป็นยังไงอะไรมันดีทั้งนั้นมันได้ผลมันก็เลยมุ่งแต่ผลการทำมุ่งนีแต่อดไปเรื่อยจิตมันยิ่งละเอียดโอ้โหมันอ้อยมันอิงมันละเอียดแล้วอออาหารไม่ฉันแทนที่จะเป็นทุกข์ทรมานลาบากข้งบนมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นจิตเพราะจะงว่าจิตมันสําคัญมากนะจิตมีทํามเป็นเครื่องดื่มนะมัน เรื่องร่างกายมันเลยเป็นเรื่องเล็กน้อยบางทีจะก้าวขาจนจะไม่ออกก้าวขาไปไปถูกเครือไม้นิดนึงนมันึงจะล้มแล้วคืนไม่มีกําลังแต่จิตมันวิวมันจะฮอร์ฝนเดินฟ้างสง่าผ่าเผยมองมพ่านตัวนั้นมันกระจางพานในนี่น หัวาจานั้นพาดีมาี่เด็กห่อพริกมานี่ท่านก็นเอาใส่อะไรกะลาม่พร้าวนะเป็นมอ่อเป็ น, เ ป, นเป็นถ้วยนะอยู่ทั้งสกุากะลาม่พร้าวมาตัดตัดทางกลนนะันแล้วทำเป็นถ้วยเวลาได้พริกมาอ้ามันผสมกันนี่ทำแมหัอใจผสมแล้ว ก, ก็น้าเทเองขนเออตักแกกันน่านน้บบาฟังสิเห็นมาจังนีย น, นะ แต่ผมไม่เคยพูดในฟังมั่งมีพริกอ่อนั่นห่อนี้อามาผสมกันอันนั้นมาอ น, นี้มาผสมกันแล้วคนน้ไกาเเอา้าดูกินพอาได้ขี้ก็ละนัะ่นมันพูดอย่างนั้นนะมันพูดอย่างสบายสบายกินพรได้ขีเ้เท่านั้นแหละไม่ได้กินเพื่อเอามะกนุนิพานอะไรกับมันละไอหนิ่ขี้่เป็นมกุนิพานยังไงได้ทันว่างทำต่หาห่นะางนี้นะทันว่างนั่นฟังซิ พอเรียงชิ้นี้นี่เป็นไปวันหนึ่งมันหนึงถ้านั่นข้ามาไม่วังชาระอะไรกับมันนะส่วนที่วังชนระนั่นคือทำเพื่อนั้นนี่เวลานั้นมันแล้วมันสบายภาวนาเดินเดินกรมตัวพิวนั่งภาวนาเนีนะ่ยเป็นหต่อแนวมันไม่โงกไม่ง่วงน่อดอาหารเนี่ยผมมันเด่นทั้งนิสัยทังสุขของเพา ม, มันถึงได้ อดอยู่เรื่อยเรืยเสร็จจนจนไม่นานนะเพราะมันเราทําเป็นอาชีพพรรษายังไมอ่อายุยังไม่ถึงสี่สิบเลยนะผมมันเริ่มเป็นมาตั้งแต่พรรษาสิบสองรู้ชัดพันศาสิบสองท้องเสียมาแต่นั่นแต่มันก็ไม่หยุดนะชอบกอนด้นมัน่มากเอาน้อยเอาเนี่ยความันเอาแลจนสมใจพูดง่ายนะ กินเมื่อไรก็กินมันจะตายกินก็อินมมันเพราะมันเสียดายทางด้านจิตใจเพราะกินลงไปแล้วมันจะมีลักษณะเหมือนกับอ่รถบรรทุกของหนักอ่นลักษณะมันจะอืดอาดเคยคล่องตัวมันชักอืดอัดนี่เวลาอาหารไม่มีในท้องมันจิตมันอยู่มันคล่องตัวอีนี้ยร่างกายก็จะตายจะจะปล่อยไปทั้งทีมันก็จะไปไม่รอดอีกอล้ก็ต้องในเยียวยากทั้งนี้ อาจจะยากท้นีการที่ให้มีกำลังกลับไปทำให้จิดไม่ก้าวไม่คล่องอลยนี่นี่ทีมันเกิดทะเลาะกันอย่างที่เคยพูดกันฟังมันเป็นยิงในใจกิจมองมนีมาคือเป็นไปตามทิศสัยมอันหมดทั้งมันเลยจนกระทั่งปัญหาที่หัลงไปแล้วอดไม่หลายวันนะแค่สามสี่วันเท่านั้นพอจากนั้นมันถ่ายหมดเลยนั่น 36หันสามหปีเต็มพรรษาสาหยังไม่เต็มเกือบสามสบเจ็ดแล้วผม36ษาหปีเต็มนั่นเลยหยุดมาตั้งแต่นู้นยังไม่ได้เข้าพรรษานะเข้าพรรษาสีมเจ็ดนะผมก็เริ่มหยุดมาตั้งน่นนตั้งแต่เดือนมิถุนายนเรื่ย ม, มาเดือนหกไปถึงดับนั่น ผมยังอดมาเป็นประจํานกระทั้งถึงเดือนหกดักผมไม่ดมจากนั้นมาแล้วผมก็ไม่ได้อดอีกนะคือไม่ได้ตั้งใจอดแบบนั้นในส่วนร่างกาย ม, มันไม่ ก, กินก็นมากินไม่เินเป็นธรรมด า, าเป็นวันเป็นช่องวันแปลงอ่ะอ่านี่ยมันถ่ายนะท้องเลยเสียมาเรื่นะอยๆมาตั้งแต่นี้ที่มันแปรเอามากจริงอดมากจริงับ พันษาสิบพันษาที่ เ, น, เนี่ะอั น, นจะหนักขึ้นหน่อยระยะพันษาสิบที่เอ็ที่สองนหนักมากวดเอาจริงๆนกึกมาจากภูเขาพ่อแม่หูวใจจนทักท่านคงจะถ้าภาษาโกลกเขาเรียกผมมันก็ว่าตกใจอ 9, พอเราก้าวลงไปทำไมเป็นเงนี้ยันหวา เพราะว่างันทัปุกเลยนะมันกลัวเราจะอ่อนแอมันต้องอยังนี้ยิ่งวันนักรคน่ะกกนทันคิดทันดีคือตัวผมมันเหลืองหเหลือหนังเหาะออกกระดูกลงมานตัวเหลืองมใครเห็นไม่ทักไม่ได้ถ้าเดินก็ดีคนก็ดีเพราะมันเหลืองขนาดนั้นนะ่ะตัวเหลืองเหมือนเขมิ้นเลยเหลืองอมัดเจ้าของเนี่ก็รู้เหลืองนี่มัดเลยจริง แสดงว่าดีอะไรดีสัน้นนี่ก็เพราะโอดาหานันเองมันก็ไม่ยุตกนะชอบคนอยไม่ตกอิจังนี่ น, น, นะนี่งันเป็นปัญษายที่สองใช่ปันชัยท่สองจนตัวตัวเหลืองหมดมันเาทากขามี ภาษาที่หูลงไปแล้วจะ ก, กล้าระษาที่จิตระดิกตรงนู้นอ่ะไม่เอาอีกท้องมันเสียมามากพอแล้วแหละเพียงอดอาหารเป็นสามวันสีวันนี้มันก็ถ่ายออหมดเลยแต่ก่อนมันไม่ถ่ายมันหกเกือบปันอันนี้หกในในยานนั้นมันไม่ถ่ายเลยเวลามาฉันก็ฉันทั้งวันสองวันไปแล้วมันถึงจะเริ่มถ่ายถ่ายแล้วถ่ายายากนี่แข็งพอท้องเสียเท่านั้นโอ้โหพุ่งเลย เปิดทาาให้ทังเมืองแมันก็เป็นมาจากโน้น น, ญญนะท้าทุกวันนมันผมก็ฉันญานั่นนะที่พอวันเทากันไม่ค่อยล้าย่าง่ะเหมือนไม่เหมือนระยะก่อนนี่ฉันอันนี้มาแค่สองปีนะฉันญานี่ถามหมอเ็าเพะว่าไม่แพ้อะไรเขาว่างเกี่ยวกับเรื่องทานเหล็กเมื่อไงถามหมอเ็าแล้วผมกนฉันต่อมา อันสองเมตรบางวันก็คิดสนุกๆกันมากระช